ข้อความในสุตตานิบาตต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงพระสูตรแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุรค่าสูตรสูตรที่อุปมาด้วยงูเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุใดแลย่อมกําจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนหมอกําจัดพิษงูที่ซ่อนไปด้วยโอสถฉะนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่าย่อมละซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้เหมือนงูละคราบเก่าที่ค่่ำคร่าแล้วฉะนั้นคำว่ากำจัดในที่นี้หมายถึงกำจัดด้วยสังวรวินัยกับปหานวินยัยนะกำจัดด้วยสังวรวินัยมีอะไรบ้างกำจัดด้วยสีและสังวรกาจัดด้วย สติสังวรกำจัดด้วยยานะสังวรกำจัดด้วยวิริยะสังวรและขันติสังวรแล้วก็กำจัดด้วยปะหานวีนายก็คือกำจัดด้วยต่ทางข้าปะหานวิขำพรน้าปะหานและสมุเฉทาปะหานส่วนปฏิปสัสสติปะหานก็เป็นผลของสมุเฉทาปะหานทีนี้ในตัวอย่างที่ยกว่า ผู้ที่กำจัดความชั่วด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยนะกำจัดทุจริตทางกายกำจัดทุจริตทางวาจาอันนี้กำจัดด้วยศีละสังวรพะน้นความโกรธใดที่เกิดขึ้นจากความชั่วทางกายและวาจาความโกรธเหล่านั้นเมื่อบุคคลประพฤติอยู่ในศีละสังวรก็สามารถที่จะระงับความโกรธเหล่านั้นได้ส่วนกาจัด อภิชาและโทมนัตด้วยสติสังวรและด้วยยานสังวรผู้ที่กําจัดอภิชาและโทมนัตอย่างนี้ได้ก็สามารถที่จะระ ง, งับความโกรธเหล่านั้นได้หรือผู้ที่อดทนต่อความหนาวความร้อนต่อสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทั้งหลายตลอดจนถึงถ่อยคอันไม่เป็นที่รักเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นขันติสังวรเพราะสามารถที่จะ กำจัดความโกรธที่เกิดจากวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเหล่านั้นได้ส่วนผู้ที่กำจัดพยาบาทวิตกภาคเพียรพยายามเห็นช่องทางเป็นเห็นประตูของความโกรธที่กลุ่นอยู่ในใจนี่นะก็ภาคเพียรพยายามปฏิบัติกำจัดความโกรธอันนั้นอันนั้นก็เป็นวิริยะสังวรขณะที่เจริญส ม, มะถะกับวิปัสสนาเนี่ยนะกุศลธรรมเหล่านี้ เกิดอย่างต่อเนื่องเป็นไปด้วยดียดีความโกรธก็ไม่ได้ช่องความโกรธก็ไม่เกิดนะปัญสมัตถาวิปัสนาควบคู่กันก็สมบูรณ์ก็จะเป็นอริยมรรคอริยมรรคโดยเฉพาะอนาคามิมรรคก็ตัดเหตุแห่งความโกรธได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะในหน้า23อัตตกถาย่อหน้าล่างบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดการกําจัดความอาฆาตหรือกําจัดความโกรธเอาไว้ห้าอย่าง ในอังคุตระนิกายปัญจาการนิบาตยกมาว่าดูการพิกษุทั้งหลายอาคาตซึ่งเกิดแล้วแก่พิกษุอันเธอจะพึงกําจัดเสียได้โดยประการทั้งปวงในเพราะกําจัดเสียได้ซึ่งอาคาตใดก็การกําจัดซึ่งอาคาตเหล่านั้นมีห้าอย่างหมายคือว่าเหตุแห่งการกําจัดความโกรธมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันหอย่างมีอะไรบ้าง ความโกรธพึงเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้นอนี้ทํายากนะโกรธใครให้เจริญเมตตากับคนนั้นเลยถือว่ายากมากสองบอกว่าโกรธแก่ใครนะเจริญกรุณาให้เขาเลยสโกรธใครก็เจริญมุทิตาให้เขาอไม่ใช่ใส่เหมือนอะไรนะใส่เติมเชือ่อเติมเชื่อเพลิงให้อีกหลือว่าไงนะหรือว่าโกรธผู้ใดก็พึงเจริญอุเบกขาในผู้นั้น อันสุดท้ายง่ายหน่อยบอกว่าพึงทําอัมมานะสิการไม่ต้องเอามาคิดหรอกเรื่องเขาโกรธใครก็ไม่ต้องคิดถึงคนนั้นเลยนะเขไม่ต้องโกรธแล้วข้อแรกแต่นะีคือผู้ที่สามารถกําจัดความโกรธหรือข่มความโกรธได้ดีเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือพรหมวิหารเนี่ยเป็นเครื่องที่ช่วยกําจัดความโกรธได้เป็นอย่างดีคือคนเราทั้งหลายโดยมากเนี่ยเมื่อโกรธแล้วค่อยอยากเจริญเมตตา ไม่ค่อยจะเจริญเมตาก่อนที่จะโกรธนะไม่ฝึกที่จะเจริญเมตาก่อนที่จะโกรธเมื่อโกรธแล้วค่อยคิดหาเมตานะนะมันก็เปรียบเหมือนว่าเมื่อไฟไม่บ้านแล้วค่อยคิดหาน้ําดับไฟนะนะก็ไม่ค่อยมีความลักษณะระแวดระวังสักเท่าไหร่ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายเขาจะระแวดระวังก่อนนะรู้ว่าบุคคลใดเริ่มจะเป็นที่ตั้งแห่ง ความโกรธเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจก็ฝึกเจริญเมตตาเจริญเมตตาในบุคคล น, นั้นเนี่ยนะน้อมนําประโยชน์และความสุขไปให้แก่บุคคล น, นั้นปรารถนาจะให้บุคคลที่เราโกรธนั้นมีความสุขความเจริญอันนี้พูดถึงแบบกําจัดได้อย่างสูงจริงๆเลยเพราะว่าผู้ที่ได้เมตตาชานได้กรุณาชานได้มุทิตาชานได้อุเบกขาชานบุคคลเหล่านี้นี่ก็ถือว่าข่มความโกรธได้อย่าง อย่างดีเยี่ยมส่วนอานมานาสิกา น, นี่ก็แก้ปัญหาได้ถ้าโกรธจริงๆคิดเมื่อไหร่ก็โกรธมานั้นก็อย่าไปคิดถึงเขาก็แล้วกันโกรธใครก็อย่าไปคิดถึงคนนั้นโกรธใครก็อย่าไปคุยด้วยกับคนนั้นในนี้ง่ายดนะีหรืออีกในหนึ่งให้พิจารณาเพื่อกาจัดความโกรธด้วยการพิจารณาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน คือทำกรรมสกตาเอาไว้ในบุคคลให้มั่นคงว่าท่านผู้นี้มีกรรมเป็นของของตนแต่นะมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเขาก็จะเป็นผู้รับผลของกรรมอันนั้นนั่นแลนะก็มาทบทวนว่าเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเขาก็จะไปตามกรรมของเขา เขาจะดีเขาจะเสื่อมเขาจะเจริญหรือเขาจะตกต่ําก็เนื่องจากกรรมของเขา ส, Madame, สิ่งที่เขาทําคําที่เขาพูดความรู้สึกนึกคิดของเขานั่นแหละเขาจะเป็นผู้รับมรดกในสิ่งที่เขาทําคําที่เขาพูดทั้งหมดเราไม่ได yeah, ้ไ <Kick Lady> om okay. ปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาหรอกนะเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเรานี่แหละเราก็ไปด้วยกรรมของเราเมื่อเราเนี่ยไปด้วยกรรมของเราเขาก็ไปตามกรรมของเขาแล้วเราจะปโกรธเขาทําไม ถ้าเราโกรธเขาแล้วเราใจเราเป็นบุญไหมเออถามดูเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลบอกว่าเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษละ่ะถ้าเราคิดโกรธเขาไม่พอใจเขาก็มีโทษถามว่าเขาให้เราสุขหรือเขาให้เราทุกข์ไม่หรอกใจของเรานี่แหละทาให้เราสุขให้เราทุกข์บุญบาปที่อยู่ในใจของเรานั่นแหละแล้วเราจะทำบาปให้ตัวเองไปถึงไหนทาไมเราต้อง จเจริญบาปจเจริญอกุศลเพิ่มพูนบาปและอกุศลเหล่านั้นเล่าว่าไงอีกในหนึ่งท่านบอกว่าให้กําจัดความโกรธเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อน พ, อพระภาษาลิบรแนะนําวิธีการเจริญเมตตาหรือกําจัดความโกรธว่าท่านผู้มีอายุความโกรธพึงเกิดแล้วแกพ่พลิกษุอันท่านพึงกําจัดเสียได้โดยประการทั้งปวงในเพราะการกําจัดความอาฆาตความโกรธการกําจัดความโกรธความอาฆาตเหล่านี้มีห้าอย่าง 5้าอย่างอะไรบ้างดูก่อนท่านผู้มีอายุบุคคลบางคนในโลกนี้มีกายสมจาารไม่บริสุทธิ์มีวจีมันสมจาาริยไม่บริสุทธิ์มีกายและวจีสมจริยไม่บริสุทธิ์บุคคลนั้นพึงกำจัดความโกรธความอาฆาตในบุคคลเห็นป่านนี้ น, นะบุคคล น, นี้แม้กำจัดความอาฆาตอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาความอาฆาต5้าอย่างเรียกว่าวิเนติย่อมกำจัด หมายความว่า บ, บางคนเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ดีทุกเรื่องหรอกเขาไม่ได้เลวทุกอย่างหรอกบางทีทางกายเขาไม่ดีแต่วาจาเขาดีเราก็สนใ จ, จเฉพาะแต่วาจาบางคนเนี่ยกายวาจาเขาไม่ดีแต่เขาดีทางใจเราก็เลือกเอาแต่ความดีทางใจของเขาบางคนเนี่ยวาจาเขาไม่ดีใจเขาไม่ดีแต่กายเขาดีเราก็เลือกเอาทางกายนี่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคนเรามันก็ไม่มีใครเลวบริสุทธิ์มันก็ต้องมีขณะแห่งความดีเราก็ทรงจำไว้แต่ ความดีของเขาส่วนความเลวก็ให้เขาจำของเขาก็แล้วกันหรือเขาไม่จำก็ตามใจเขาก็แล้วกันแต่ถ้าเราจะจำเราก็กำหนดจดจำแต่ความดีของเขาเอาไว้อันนี้ถ้าเราระลึกถึงแต่ความดีของเขาอันนี้ก็เป็นการกำจัดความโกรธนะส่วนความเลวเราก็ไม่ได้มีส่วนต้องไปรับผิดชอบอะไรแต่ถ้าเขาเลวเขาไม่ดีแล้วเราโกรธเราสิเลวด้วยนะหรืออีกอย่างหนึ่งท่านให้ระลึกถึงพระพุทธพจน์ โอวาที่พระศาสดาสอนเอาไว้อย่างนี้ว่าด้ว่ควาพิสูจน์ทั้งหลายแม้หากว่าโจรที่มีใจต่ําช้าเพึงเอาเลื่อยมีคมสองข้างตัดอวัยวะน้อยใหญ่ผู้ใดยังจิตให้ปัทุสร้ายแม้ในโจร น, นั้นเธอนั้นไม่ชื่อว่าทําตามคําสั่งสอนของเราเพราะทําใจให้ปัทุสร้ายในโจร น, นั้นนี่ก็ ถ้าเราขณะที่เราโกรธเป็นศีลไหมก็ไม่ใช่ศีลเป็นสมถะไหมไม่เป็นเป็นวิปัสนาไหมไม่เป็นเป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานไหมไม่เป็นเอาเวลาเราโกรธเราก็ชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ระลึวลกว่าถ้าเราโกรธนี่เราปฏิบัติตามคําสอนของภาษาสดาของเราไหม เราเชื่อว่าทําลายประโยชน์ของตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ไหมถ้าเราไม่ปฏิบัติตามศีลสมถาวิปัสนาที่พระพุทธเจา้าสอนเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ทําลายประโยชน์ตนผู้ที่ทําลายประโยชน์ตนแล้วใครเป็นคนเสื่อมละ่ะก็เราซิเป็นคนเสื่อมอย่างแท้จริงเพราะเราคนอื่นเขาเจริญมเมตตากันเราโมต่เจริญโธสะคนอื่นเขาเจริญกรุณาการเราโมต่เจริญโธสะคนอื่นเขาเจริญมุทิตาเราโมต่เจริญ โทสะพระพระอานนท์ท่านเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติเราก็มัวแต่เจริญแต่โทสะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเจริญศีลกันเราก็เจริญโทสะสาวกของพระพุทธเจ้าก็เจริญสมถะกันเจริญอัปปมาญญาเจริญอนุสติเจริญอสุภะกรรมฐานเป็นต้นของเรามัวแต่เจริญโทสะอย่างเง้ยนะสาวกของพระพุทธเจ้าพิจารณาขันธาตุอายตนะเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์ของเราก็เพ่งแต่โทษของคนอื่นเพื่อเจริญโทสะเนี่ยนะ สาวกของพระพุทธเจ้าไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าเราปล่อยให้ความโกรธแบบนี้เกิดบ่อยๆตกนรกแน่นะถ้าอยู่ในนรกก็ทําใจเอานะเราบอกกับตัวเองคุยกับตัวเองว่าใช่ไหมถ้าเราอยู่ในนรกก็ไม่ต้องเสียใจนะก็ตอนโกรธก็ดูสะใจดีนี่นะเต็มใจเต็มอกเต็มใจโกรธสะใจมากเวลาโกรธแม้ภูมิอกภูมิใจที่มีความสามารถในการโกรธได้ก็ตกนรกเราก็ต้องทําใจว่าเออ ตอนโกรธก็ไม่เห็นว่าอะไรเนี่ยนะสะใจเต็มที่เลยเวลาโกรธแต่เวลาตกแล้วรก็เออสะใจสะใจเนี่ยนะ้นก็ทำใจเอาไว้เสมอว่าเออถ้าอยู่ในโนโรกเราก็ทนได้เนี่ยนะที่เราโกรธเรายังทนได้เลยใช่ไหมหรืออีกระลึกถึงโอวาทที่พระศ า, าสดาให้ไว้ว่าผู้ใดย่อมโกรธตอบต่อ บ, บุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นแลเลวเสียกว่าผู้โกรธทีแรกนั่นอีก เพราะเหตุที่โกรธตอบเขานั้นผู้ที่ไม่โกรธตอบต่อบุคคลที่โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามซึ่งชนะได้แสนยากผู้ที่รู้ว่าคนอื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบเส ง, เงี่ยมชื่อว่าประพฤติประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายตนและฝ่ายอื่นน่าสนใจคําว่าผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นชื่อว่าโกรธกว่าคนที่โกรธทีแรกซะอีกโง่กว่านะ งอกว่ายังไงสมมุติถ้าคนอื่นเขาทําหน้าบิดใช่ไหมเราก็ต้องบิดหน้าตามเขาไหมคนอื่นเขาทาหน้าเบี้ยวเราก็ต้องเบี้ยวตามไหมคนอื่นเขาถลึงตาเราก็ตาถลองด้วยคนอื่นเขาหน้าเบ้เราก็เบ้ตามด้วยคนอื่นเขาร้องให้เราก็ร้องด้วยถ้าคนอื่นเขาป่วยทางจิตใจเราก็ขอป่วยใจด้วยอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนั้นเราฉลาดตรงไหนถ้าคนอื่นเขาตกนรกเราขอตกด้วยใช่ไหมเราอยากชนะคนอื่นเห็นคนอื่นเขาโกรธเราเขาจุดไฟเผาบ้านเขาเอามั่งเอามั่งว่าเราก็แน่จริงเหมือนกันเนี่ยนะ เราก็เลยจุดไฟเผาบ้านตัวเองเพื่อเราจะชนะขึ้นเราเรานี่เก่งกว่าเยอะเนี่ยนะเห็นคนอื่นเขาโกรธเราแล้วเขาฆ่าตัวตายเราเลยฆ่าตัวตามเออมันแน่จริงเอามั่งนะมันเห็นคนอื่นเขาป่วยเนี่ยนะเห็นคนอื่นเขาป่วยเราก็เลยขอป่วยตามเนี่ยนะพันคนที่โกรธตามเนี่ยชื่อว่าเลวกว่าคนที่โกรธทีแรกซะอีกเนี่ยนะเห็เหมือนว่าเห็นคนอื่นเขาเดินไปสะดุดอะไรซะเลือดท่วมเอามั่งเอามั่งไปเดินซะเลือดท่วมเห็นคนอื่นเขาเป็นเอดส์บอกขอเป็นด้วย เห็นคนอื่นเขาโกรธแต่ทำไมชอบโกรธตามด้วยละ่ะนะว่าชอบแสดงว่าชอบเรียนแบบคนอื่นเขาแล้วเรียนแบบเหตุที่ไม่ดีซะด้วยสิมาเห็นคนอื่นเขาป่วยเราจำเป็นต้องป่วยด้วยไหมก็ไม่จําเป็นเห็นคนอื่นเขาบ้าเราต้องบ้าด้วยไหมไม่จําเป็นเอาที่โกรธละ่ะทําไมเราโกรธ ด, ด้วยประจําเลยนะบางทีเขาทําท่าจะไม่พอใจเราโกรธเขาแรงกว่าที่ที่เขานิดๆแน่ๆเนี่ยนะเราได้ท่วมลุกไม่ เหมือนเก่งจังเลยนะที่ไหนได้น่าสงสารสิไม่ว่าใช่ไหมก็คิดดูนะเห็นคนอื่นเขาขับรถชนอะไรสักอย่างเหมือนเขากโกรธเราเขาก็ประทุสลายตัวเขาเองใช่ไหมเราเอาบั่งนะทำลายตัวเองตามเขาบ้าง ม, มันคนที่โกรธตอบต่อบุคคลที่โกรธทีแรกนั้นโง่กว่าเยอะเนี่ยนะแล้วก็ดูสิถ้าเขากโกรธเนี่ยนะมีท่านหนึ่งก็พูดว่าเขาไม่โกรธหรอกเขาว่างั้นทําไมอ่ะก็คนอื่นเขากโกรธให้มันก็เพียงพอแล้วนะที่จะเห็นเขาว่างั้น คือก็ไม่เห็นว่าใครได้ดีเพราะความโกรธแม้แต่คนเดียวเขาเลยไม่รู้จะโกรธทำไมแต่ก็จริงนะคนนี้ถูกด่าแกก็ยิ้มยมอยู่นั่นแหละนะแต่ก็ทำตัวยนนี่นิดน ด, ด้วยนะทำาไมก็โกรธแต่แก็ไม่โกรธเอาสิานะก็อยู่ได้ทังคืมีในโลกนี้มีสารพัดนั่นแหละใช่ไห